ตอนที่หนึ่งรเขามีความคิดลึกซึ้งสีหน้าของสวีอวีเสียเริ่มจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่คนพวกนี้จะว่านางอย่างไรก็ได้แต่ห้ามว่าลูกชายของนางเด็ดขาดเดิมทีนางก็รู้สึกติดค้งลูกชายคนนี้มากพออยู่แล้วหน้าอกของสวีอวีเสียกระเพื่อมขึ้นลงอย่างรุนแรงนางอ้าปากจะเถียงตะขอบตากลับแดงก่ำขึ้นมาก่อนหย้นเฟยยกมือขึ้นวางบนหลังมือนางแล้วบีบเบาๆน้ําเสียงของเขาดูสุขุมมั่นคง อาสี่คนที่รู้ความจริงก็จะบอกว่าเจ้าเป็นห่งเรื่องที่ธุรกิจของตระกูลเราจะไม่มีคนสืบทอดแต่คนที่ไม่รู้ความจริงเขาจะคิดว่าเจ้ากําลังจ้องจะฮุบตําแหน่งผู้สืบทอดของตระกูลเสียเองที่ใหญ่ตําแหน่งผู้สืบทอดหมายถึงอนาคตว่าคนคนนั้นจะสามารถนําพาธุรกิจของตระกูลหยวนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้หรือไม่ผมย่อมต้องใส่ใจอยู่แล้วรอยยิ้มที่มุมปากของอาสี่ตระกูลหยวนจางลงเล็กน้อยที่อย่าหาว่าผมพูดจาไม่เข้าหูเลยนะ ตอนนั้นผมก็บอกให้พี่กับพี่สไปรีมีลูกใหม่กันอีกสักคนต่อให้ตอนนี้จะหาเขากลับมาได้แต่ใจของเขาก็เหินห่างกับคนในบ้านไปแล้วและเขาจะนำพาตระกูลหยวนให้ดีขึ้นได้อย่างไรเจ้าสวีอวีเสียน้ำตาร่วงเพาะด้วยความโกรธจนพูดไม่ออกพอได้แล้วคนกันเองมาทะเลาะแหวงกันแบบนี้มันดูดีที่ไหนคิดจะก่อสงครามภายในหรือไง ท่านผู้เฒ่าหยวนยกมือขึ้นตบตะเกียบลงบนโต๊ะเสียงดังปังสายตาของเขาจ้องมองเตือนทีละคนก่อนจะไปหยุดอยู่ที่หยวนเซ้าเหงิงข้าได้ยินว่าวันนี้คะแนนเกาเข่าจะออกข้าส่งคนไปรอที่โรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วป่านนี้ก็น่าจะใกล้กลับมาแล้วละ่ะหยวนเซ้าเหิงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมเขาขานรับด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำครับเซ้าเหิงเจ้าอยากเรียนคณะอะไรท่านผู้เฒ่าหยวนชวนคุยเพื่อหวังจะกระชับความสัมพันธ์กับหลานชายจะได้ไม่ดูห่างเหินกับคนในครอบครัวนัก ท่านพ่อครับเขาไม่ได้อยากเรียนคณะไหนก็ได้ตามใจชอบหรอกนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคะแนนที่สอบออกมาจะเข้ามาหาวิทยาลัย ไ, ไหนได้ต่างหากอาศีตระกูลหยวนพูดขึ้นอย่างไม่ใส่ใจน้ำเสียงแฝงความดูแคลนอย่างเห็นได้ชัดผมได้ยินมาว่าทางตระกูลเจิ้งนั่นมีลูกชายเยอะแย ะ, แยะพวกเขาจะไปสั่งสอนอบรมเด็กให้ดีได้อย่างไรผมว่าท่านพ่ออย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยครับนั่นสิคะภรรยาของอาศีพยักหน้าพลางยิ้มบางๆ หยวนเฟย์ั้า น, น่ายักย้ายคนสองคนนี้จงใจท้าทายอำนาจของเขาชัดๆหยวนเศร้าเหิงในหน้าขึ้นกว่าสายตามองพวกเขาที่หนึ่งผลการเรียนของผมก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ทราบว่าน้องชายทั้งสาคนของอาศีมีผลการสอบเป็นอย่างไรบ้างรอยยิ้มที่มุมปากของอาศีตระกูลหยวนแข็งค้างเขาค่อนข้างประหลาดใจที่หยวนเศร้าเหิงกล้าโต้กลับสวีอวีเสี่รี่ปรับอารมณ์แล้วรับส่งกับลูกชายเป็นปีเป็นคลุยผลการเรียนจะเป็นอย่างไรได้ล่ะลูก ถ้าทั้งสาคนนั้นเอาฐานตำแหน่งผู้สืบทอดของตระกูลก็คงเป็นของพวกเขาไปนานแล้วพ่อของเจ้าคงไม่ต้องทำงานในบริษัทมาตั้งหลายปีจนป่านนี้ยังไม่ได้กเกษียณหรอกหยวนเฟยลูกชายทั้งสามคนของอาศีตระกูลหยวนนั้นเหลวแหลกยิ่งกว่าใครเพื่อนเพราะถูกตามใจจนเสียคนมาตั้งแต่เด็กอย่าว่าแต่เรื่องผลการเรียนเลยวันวันเอาแต่สร้างเรื่องวุ่นวายเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งจะส่งลูกคนโตกับคนรองไปตามประเทศเป้าหมายก็เพื่อไม่ให้มาอยู่ใกล้หูใกล้ตาจนทําให้ท่านผู้เฒ่าต้องโมโห ท่านผู้ทหูหินเท่าคะแน น, น, นออกมาแล้วครับระหว่างที่คุยกันชายที่ถูกส่งไปดูคะแนนก็กลับมาเขาเดินเข้ามาสแสดงความยินดีกับผู้อาวุโสทั้งสองด้วยสีหน้าดีใจสุดขีดคะแนนเต็มห้า้อยสิบคุณชายใหญ่ของพวกเราสอบได้ห้า้อยเอดคะแนนครับเป็นอันดับสิบของโรงเรียนและอันดับสิห้าของทั้งเมืองคะแนนขนาดนี้เข้ามาหาวิทยาลัยไหนได้บ้างท่านผู้ทวูห์หยวนตกตะลึงเล็กน้อยคนตระกูลหยวนที่อยู่ในที่นั้นต่างก็อึ้งไปตามตามกัน มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศเลือกได้ตามใจชอบเลยครับท่านผู้เฒ่าหยวนเอ่ยคําว่าดีออกมาหลายครั้งเขาหัวเราะรา จ, จนหูปากไม่ลงไม่เลวสมแล้วที่เป็นลูกหลานตระกูลหยวนของข้าอย่างไรเสียเราก็ต้องจัดงานเลี้ยงฉลองสอบติดเพื่อเฉลิมฉลองให้ยิ่งใหญ่ท่านผู้เฒ่าหยวนมองหยวนเศร้าเหิงด้วยสายตาชื่นชมพลางถามว่าบอกปู่มาสีว่าเจ้าตั้งใจจะเรียนคณะอะไรเตรียมจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนสวีอวีเสียกับหยวนเฟยต่างก็ตื่นเต้นจนบอกไม่ถูก ท่านพ่อครับตอนนี้เด็กคงจะดีใจจนทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันคงยังไม่ได้คิดไว้เรื่องคณะต้องค่อยๆ ค, ค, คิดไปครับใช่เรื่องคณะค่อยๆ ค, คิดได้แต่งานเลี้ยงฉลองสอบติดต้องรีบจัดถือโอกาสนี้แนะนําเส้าเหิงให้ทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการด้วยอาศรีตระกูลหยวนหน้าบึ้งตึงเขาถลิงตาใส่ภรรยาข้างกายอย่างอารมณเสียหญิงสาวเบะปากในใจคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องฟลุกก็ได้เดิมทีผมยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนคณะอะไร แต่ตอนนี้คิดออกแล้วครับน้ำเสียงของหยวนเศร้าเหิงราบเรียบก่อนจะหันไปมองท่านผู้เฒ่าหยวนผมอยากเข้าเรียนคณะการเงินมหาวิทยาลัยจริงสือครับดีได้เลยปู่สนับสนุนท่านผู้เฒ่าหยวนย่อมต้องสนับสนุนอยู่แล้วหลานชายคนโตเสนอตัวอยากเรียนรู้เรื่องการทําธุรกิจเองแบบนี้เขาดีใจจนเนื้อเต้นบริษัทต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีไฟมาเป็นผู้สืบทอดแบบนี้และถึงจะนําพาบริษัทให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ผู้หญิงเฒ่าหยวนยิ้มมุมปากเลิศพูดแล้วกินข้าวกันก่อ น, อนเถอะเดี๋ยวอาหารจะเย็นหมด ไม่รีบหรอกท่านผู้เฒ่าหยวนโบกมืออย่างอารมณ์ดีต่อให้เย็นแล้วสั่งให้ทำใหม่ก็ยังได้ทว่าหยวนเศร้าเหิงยังพูดไม่จบเขาเอ่ยต่อว่าหลังจากเรียนจบที่นี่อีกสองปีผมจะไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยการเงินที่ต่างประเทศเพื่อศึกษาต่อครับเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศไม่ดีตรงไหนทำไมต้องดดินด้นไปเรียนถึงต่างประเทศด้วยลูกสวีอวีเสียขมวดคิ้วแน่นน้ำเสียงดูร้อนรน ล, ลูกชายคนนี้เพิ่งจะกลับมาอยู่ข้างกายนางได้ไม่เท่าไร่หากต้องไปต่างประเทศก็คงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกนาน อวี๋เสียพอเด็กโตแล้วเจ้าก็ต้องหัดปล่อยวางบ้างจะเอาแต่ดึงลูกไว้ข้างกายตลอดไม่ได้หรอกนะทําแบบนั้นจะทําให้เด็กเสียคนทันพูเทหยวนเอ่ยเตือนด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสวีอวีเสียหยวนเศร้าเหิงลุกขึ้นทันทีผมอิ่มแล้วครับดีอิ่มแล้วก็กลับไปพักผ่อนที่ห้องเถอะทันพูเทหยนมีสีหน้าอ่อนโยนต่อเขามากขึ้นมากหยวนเฟยลอบถอนหายใจอ ย, อย่างโล่งอกลูกชายของเขาช่างสร้างชื่อเสียงให้จริง เจ้าใหญ่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาวันหน้าเจ้าต้องอบรมสั่งสอนเขาให้ดีนะล้านชายคนโตของบ้านเราต้องวางตัวเป็นทายาทเพื่อสืบทอดกิจการท่านผู้เถ่าหยวนเอ่อยอย่างจริงจังพวกเจ้าสองคนผัวเมียห้ามตามใจเขาจนเกินไปหละได้ยินไหมครับหยวนเฟย ร, รับคําก่อนนอนสวีอวีเสียรู้สึกไม่สบายใจนางเห็นหยวนเฟยเดินกลับเข้าห้องมาจึงเงยหน้ามองเขาเป็นอะไรไปหยวนเฟยปลายตามองนางพลางหัวเราะขำ ลูกสอบได้คะแนนดีขนาดนี้เจ้ายังไม่ดีใจอีกหรือข้าไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นแต่ข้าคิดว่ากว่าลูกจะกลับมาอยู่กับเราได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ควรจะให้ความกดดันกับเด็กมากขนาดนี้ท่านพอ่อท่านแม่ดูจะให้ความสําคัญกับเส้าเหิงมากเกินไปแล้วสวีอวีเสียขมวดคิ้วข้าไม่รู้ว่านี่จะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายทําไมหรือว่าเจ้าอยากให้สัพศิลป์ของตระกูลทั้งหมดตกเป็นของลูกชายทั้งสาคนของอาศีถึงจะมีความสุข หยวนเฟยเลิกคิ้วอวิ๋เสียข้าว่าเจ้าคิดมากไปเองแล้วลูกชายของเราไม่ใช่คนไร้ชื่อเสียงเรียงนามทั่วไปหรอกวางใจเถอะสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือสนับสนุนเขาให้ถึงที่สุดส่วนเส้นทางในอนาคตก็ให้เขาตัดสินใจเองจะไม่รู้สึกหรือว่าลูกชายคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองมากสวีอวิ๋เสียพยักหน้าอย่างครุ่นคิดสิ่งที่เขาพูดมาก็ถูกลูกชายคนนี้มีความคิดเป็นของตัวเองมากจริงๆ อันที่จริงพวกเขาสองคนผัวเมียก็ค่อนข้างแปลกใจที่ลูกชายเป็นฝ่ายเสนอตัวขอกลับมาที่ตระกูลหยวนเองแต่พอกลับมาแล้วเขากลับดูไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเลย